จิกขาบทวิพังสองร้อาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุเมียธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิบฉันตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เลี้ยงสาสามารถรับรู้ถ้อยคําสุภาษิต คุภาษิตคำหยาบและคำสุภาพคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าสองต่อสองได้แก่ภิกษุกับมารุคามที่ชื่อว่าที่รับได้แก่ที่รับตาและที่รับหูที่ชื่อว่าที่รับตาหมายถึงสถานที่ซึ่งเมื่อบุคคลขยิบตายักคิ้วหรือผงอกสีสาะขึ้นใครๆก็ไม่สามารถเห็นได้ที่ชื่อว่าที่รับหูหมายถึงที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินถ้อยคำที่พูดกันตามปกติได้ คำว่านั่งหมายความว่าเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้ต้องอบัติปาจิตติเมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ภิกษุต้องอบัติปาจิตติทั้งภิกษุและมาตุคามนั่งหรือนอนต้องอบัติปาจิตติ